หมวดที่ 3. ภิกุทุทั้งหลายสงไม่พึงระงับตัชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดคือ 1. ง, งดอุโบสถแก่ปกตัตตะภิกษุ 2. ง, งดปวารณาแก่ปกตัตตะภิกษุุทําทำการไต่สวน 4. เริ่มอนุวาทาธิก่อน 5. า ขอโอกาสภิกษุอื่นหกโจทย์ภิกษุอื่นเจ็ดให้ภิกษุอื่นให้การแปดชักชวนกันก่อความทะเลาะภิกษุทั้งหลายสงฆ์ไม่พึงระงับตัดชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์แปดเหล่านี้แล นับปฏิปัตสัมเพตพะอัถารสกะจบ